เทศนาแผ่นที่78ลำดับที่6โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดขุดรธานีแสดงธรรมในวันที่30กรกฎาคม2558มีชื่อเรื่องว่าบังคับใจให้มันอยู่ วันนี้เป็นวันที่สาสกรกฏาคมพุทธศักราช2 5งพวันนี้เป็นวันอุโบสถอุโบสถพิเศษคือเป็นวันอุโบสถความเป็นมาของวันนี้ก็คือวันอาสาหะบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าไปโปรดปัญจวคีทั้งห้า เมื่อพระพุทธองค์ได้ตัดรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณวันเดือนหกเพนจากนั้นพระองค์ได้เสวยวิมุตติสุขในละแวกบริเวณต้นโพมีสะมุจลินที่ต้นนิโคททีละเจ็ดวันเจ็ดวันเจ็ดวันจากนั้นพระองค์ก็ได้เดิน ทางไปโปรดจันปัญจวคีทั้งห้าที่กรุงที่ป่าอิสิปฒนมิขทายาวันเขตแขวงกรุงพลรานสีวันนี้ท่านในเทศโปรดปัญจวคีทั้งห้าพระอัญญาโกนธัญญะได้รู้ทำเห็นทำก่อนเพื่อนแล้วก็ขอบวช กับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบ ว, วดด้วยเอหิภิกขุเอหิภิกขุอุปสัมปทาท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดทมเรากล่าวไว้ดีแล้วพ <c oughs> ระพุทธองค์ตรัสเพียงเท่านี้พระอัญญาญญากลัญญากรวัเปเป็นพระในพระพุทธศาสนาองค์แรกในเมื่อเทศ แสดงธรรมาจากกัปวัตนสูตรจากนั้นท่านก็ได้เทศนาว่าการอีกอนัตตลกณสูตรปัญจวคีทั้งห้าทั้ทงห้าท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระอราหารันต์พร้อมกันจึงวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่พระพุพะพทธเจ้าได้ตดรัสรู้ได้ตรัสรู้พระธรรม ได้นำพระธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้นั้นนำมาสอนบอกกล่าวเทศนาว่าการให้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ปัญจวัคคีย์ทั้ง5เข้าใจในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้สาเร็จมรรคสาเร็จผลตามที่พระองค์ได้ได้สำเร็จมา ก, ก่อนแล้วพระพุทธองค์ได้สำเร็จอย่างไร พระัญญาโกลทัญญวะวปลาภัติยะมหานามาตยชีทั้งหองค์ก็ได้สาเร็จตามที่พระองค์ตามที่พระพุทธเจ้าได้สำเร็จรู้แจ้งเห็นจริงตามธรรมธรรมนั้นอันนี้เราบอกพระพระสงฆ์สาวกต้องได้รับต้องได้รับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอีกต่อนึงส่วนพระพุทธเจ้านั้นสยามผู่รู้แจ้งโลก ไม่มีใครแนะนําสั่งสอนพระองค์ท่านท่านรู้ด้วยพระองค์เองอันนั้นแปลว่าสยามภูเป็นพุทธะแต่พระสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยว่าสาวกะแปลว่าผู้ ส, สดับหรือว่าสาวกพระสาวกสาวกหรือสาวกะแปลว่าผู้สดับได้รับสลับพระธรรมคําสอนสก่อนจึงรู้แจ้งเห็นจริงได้ ยังได้บรรลุธรรมได้สําเร็จได้เนีว่าสาวกะนี่แหละ ว, วันนี้เป็นวันพระไตรสรณะคมครบบริบูรณ์คือเราได้ยึดพระพุทธทเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งจังหวัดเราวันนี้เป็นวันสําคัญแล้วก็เมื่อเช้าพวกเราท่านทั้งหลายก็เห็นพี่น้องประชาชนร้นหลาม มาทำบุญตักบาตรมาเพื่ อ, เ, อเตรียมจิตเตรียมใจทำบุญช่วงเทศกาลเข้าพรรษาวันพุงนี้เป็นวันอธิษฐานพรรษาแล้วนะวันนี้เป็นวันอุโบสถของพวกเราวันนั้นในเที่ยงวันนี้พวกเราได้ลงอุโบสถจบลงแล้วพระทั้งหมดห้าสิบสี่โรค พระที่มาร่วมสองรูปครูบาอาจารย์ที่มาร่วมวัดสองรูปแต่วัดพระในวัดของเราห้าสิบห้าสิบสองรวมแล้วเป็นพระห้าสบสี่รูปที่ลงอุโบสถจบลงสักครู่นี้แต่ทั้งยังไงก็ตามทั้งพระใหม่พึ่งได้ลงอุโบสถพึ่งบวชมาไม่กี่วันเป็นอุโบสถเป็นครั้งแรกก็หลายองค์ ที่เขามาร่วมอุโบสถในคราวนี้ครั้งนี้เป็นประสบการณ์แล้วว่าเป็นครั้งแรกของชีวิตที่มาร่วมฟังพระสวดพระสวดพระปฏิโมกการสวดพระปฏิโมกเมื่อกี้นี้ที่จบลงองค์ที่ขึ้นแสดงพระปฏิโมกท่านก็ได้กล่าวพวินัยของพระพุทธเจ้า คือพระสงฆ์ในครั้งพุทธกาลเมื่อบวชเข้ามาแล้วพระพุทธองค์ได้เทศนาว่าการอย่างปัจจวคกีทั้งห้าเนี่ยเป็นรุ่นแรกห้าองค์จากนั้นท่านก็ไปโปรดพวกฉดินสามพี่น้องอีกพันกับสามองค์จากนั้นก็มีมากเรื่อยๆภาษาวกของพระพุทธเจ้าเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นในเมื่อบวชเข้ามาแล้ว ก็ต่างองค์ก็ต่างอยู่รุ่นใหม่ๆก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเป็นผู้มุ่งมั่นได้สําเร็จมั้งสาเร็จผลพอดูการที่จะทําความชั่วออกมาจากใจในเมื่อใจของท่านเป็นพระหานแล้วใจของท่านบริสุทธิ์แล้วกายวาจาของท่านจะขนองอย่างไรจะทําผิดได้อย่างไรจะพูดผิดได้อย่างไรเพราะใจของท่าน เป็นพระอาหารแล้วไม่มีปัญหาแต่พอต่อมาเนี่ยพระสงฆ์ขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่สำเร็จเป็นพระอริยะ เ, ยเป็นพระสมมติสงฆ์พอบวชเข้ามาแล้วก็เป็นพระในภพศาสนาเพราะพระในทพศาสนาที่นี่มันก็มีกิเลสกิเลสราคะโทสะโมห ะ, ะการประพฤติปฏิบัติของตนเองใจใจไม่บริสุทธ ใจมีกิเลสใช้วาจาออกไปก็ไปในทางกิเลสาการกระทำออกไปก็ไปทางกิเลสเพราะใจยังมีกิเลสอยู่ยังที่มีกิเลสราคะโทสะโมหะโลภโกรหลงอยู่ในจิตใจเพราะนั้นการกระทำออกไปมันก็ต้องผิดทีนีม่มันไม่ถูกตามหลักพระธรรมวินยัยไม่ผูกตามพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านให้เดินแบบนึง แต่พระบวชเข้ามาใหม่เดินแบบโลกเลยเพราะฉะนั้นรพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติวินัยคือศิลกฎระเบียบเข้ามากฎระเบียบคือภิกษุไม่ควรทําอย่างนี้ควรปฏิบัติตนอย่างนีอ้อย่างนี้ขึ้นมาฉังนั้นท่านจึงบัญญัติวินัยสิกขาบทที่หนึ่งภิกษุทําเข้าไปโทษประหารสิกขาบทที่1ที่2ที่3ที่4คือโทษประหารมีอยู่ปาลายชิกมีอยู่สข้อ ที่โทษปาหานผู้ใดกระทาผิดลงไปแล้วก็แปลว่าขาดจากพิกเป็นพิษสุถึงจะบวชมาอีกก็ไม่เป็นพิษสุไม่เป็นพิษสุตลอดทั้งชาติใน ช, ชาตินั้นนะเกิดมาทั้งชาติแต่ว่าทำผิด เ, เป็นอาบัติปาลชิกแล้ว น, ะนี่แหละอันนี้ก็คือพระพุทธองค์บัญญัติวินยัยจากนั่นก็สังคาที่เศษ1ิปสาลองลงมาโทษเปลาลงมาแล้วก็อนิยตสอง เป็นอ า, อาบัติที่ไม่แน่นอนคล้ายๆกับว่าเป็นการโจท์โจ์การกระทาผิดของพระองค์องค์บุคคลที่สองที่สามโจ์อาบัตอธิยศจากนั้นก็นิจจกียาปาจิตีส0มสบปาจิตีเก้าสิบสองปฏิเทศนิยะสี่เสกิ ย, กยวัตเจ็ดสิบห้า รวมเป็น220นับท้งอธิกรณะสมถะเข้ารวมเป็น227เนี่แหละพวกเราได้ฟังเมื่อกี้เนะี่ยยาวเป็นชั่วโมงเกือบชั่วโมงที่ท่านขึ้นไปสวดนี่แหละที่หลวงพ่อได้พูดนะคือสินส2งรอีข้อแต่ท่านพูดเป็นภาษาบาลีสวดเป็นภาษาบาลีแต่เราอยากจะรู้ว่าท่านสวดจบลงไปแล้วนั่น แปลเป็นภาษาไทยมีไหมมีนะหนังสือเล่มเล็กๆนะปฏิโมกเราถ้าเราต้องการศึกษาเราก็เปิดดูได้ข้างหนึ่งอัดและก็ข้างหนึ่งแปลใครเข้าข้างอัดก็คือเป็นบาลีข้างแปลก็เป็นภาษาไทยจากนั้นเราจะรู้ภาษาได้ง่ายกว่าภาษาใน ป, ปฏิโมกเราก็อ่านนาวโกวาด นักวกรวาดนี่นก็คือท่านอธิบายเกี่ยวกับนี่แหละสินแบบย่นย่อแต่เราอยากจะรู้ในรายละเอียดมากกว่านั้นเราก็ให้อ่านวินัยยมุกเล่มหนึ่งอันนี้อธิบายได้กว้างขวางออกไปแต่เราอยากจะรู้ว่าเป็นมาจยางไงพระวินัยของพระพุทธเจ้าที่บัญญัติวินัยเป็นมาอย่างไร พระองค์ไหนในครั้งพระพุทธเจ้าชื่อว่าจะไงการกระทำผิดที่พระสงค์กระทำนี้เรื่องนี้เราอ่านในพระไตรปิฎกมีเราควรคว้าศึกษามีทางไปที่ไปที่มาทั้งหมดพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะแต่งอย่างไรพระไม่ก็ไม่จำเป็นถึงขนาดนั้นหรอกแต่ก็ให้ศึกษาให้ฟังอย่าไปดื้อด้านให้ฟังคูบาเก่า คูบาเก่าก็เห็นการกระทําผิดเขาบอกด้วยเมตตาเพอาะมันพิษแล้วก็อยากจะอ้างถ้าองค์ใหม่พระองค์เก่าพระใหม่ยังไม่เชื่อหรือว่ายัา ง, งสงสัยแล้วก็เนี่ยกรอ่างหนังสือ พ, พระวินัยให้ฟังให้เข า, าอ่างกฎหมายให้ฟังบัญญัติอย่างนี้พระวินัยอย่างนี้นะอันนี้ก็คือพวกเราเข้ามาเพื่อศึกษาเพื่อเรียนรนูะ้ เราก็ต้องฟังฟังกันถ้าเรามันผิดออกไปแล้วมันก็คือมันผิดกฎระเบียบของอวัดวาศาสน า, าของอศากยบุตรพวกเราเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าทําผิดลงไปมันก็ดูไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องไม่สวยงามเพราะการอยู่ด้วยกันก็ต้องเป็นผู้มีศีลเสมอกันเทฐิเสมอการเทติคือความเห็นให้เป็นแนวแถวเดียวกัน ถ้าทิติเปคนละทิฏคนละทางแล้วก็อยู่ด้วยกันไม่ได้นะทิฏฐิคือความเห็นแต่อย่าใช้มานะคือความแข็งกระด้างมานะคือความแข็งกระด้างจะนำมาใช้ในการเป็นอยู่ให้มีความศึกษาอ่อนน้อมยอมรับในเหตุและผลในทางที่ถูกต้องนี่แหละคือพระวินัยของพระพุทธเจ้าะฉะนั้นวันนี้พวกเราได้ฟังพระปฏิโมก จบลงสักครู่นี้คือเป็นเป็นศีลทั้งนั้นแหละศีลพระปฏิโมกต่อไปเป็นศีลอภิษมาจาร์เอาผมไปอ่านในหนังสือศีลพระปฏิโมกไม่มีสิกขาบทนี้อันนั้นคือเราต้องศึกษาในศีลอภิษมาจารย์ศีลอภิษมาจารย์คืออยู่ในวินัยมุกเล่มสองแล้วก็เล่ม3แล้วก็อยู่ในพระไตรปิฎกพวกเราอ่าน จะรู้ได้ว่าสินพระปฏิโมกตนะัคือสินอะไรมี227ข้อย่ิข้อนะสินอภิสมาจานนั่นคืออะไรสินนอกพระปฏิโมกแต่หลวงพ่อจะยกเลียงและยกตัวอย่างให้ฟังสักหน่อยคือสินอภิสมาจานก็คือเนี่ยเราไม่ได้สวดเมื่อกี้เนี่ภิกษุไม่ปลงผมต้องอบัตทกกดภิกษุไว้เล็บยาว ต้องอบทบัตรทุกกฎพิกสูไว้หนวดเขายาวปรับอาบททุกกฎนะอย่างนี้นะอันนี้คือไม่มีนะไม่มีเราไม่ได้สวดเมื่อกี้เนะี่ยไม่ได้มาในพระปฏิโมกข์อันนี้แปลว่ามาศีนมาในอภิษมาจารศีนนอกพระปฏิโมกข์แต่ถึ้งยังไงพวกเราก็ต้องนำมาประพฤติธปฏิบัติเพราะมันเป็นกฎระเบียบนะการอยู่การเป็นอยู่ของพระสงฆ์สมมณสารูปควรปฏิบัติ ตอนอย่างไรเป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องศึกษานะพาลูกพาหลานแต่ถึงอย่างไงอย่างที่ผมหลวงพ่อที่พูดเบื้องต้นว่าให้ศึกษาให้จากคูบารุ่นเก่าไปก่อนเพราะมีเวลาน้อยเราจะไปศึกษาแต่เรื่องวินัยอย่างเดียวหลวงพ่อเองก็ไม่อยากจะให้ศึกษาเราให้ดูตาให้ดูฝูให้ฟังจิตใจให้สำเนียดพอเราก็มาศึกษา ตาดูท่านทำพาทำอย่างไแล้วก็ทำตามหูได้ยินท่านแนะนำสังสอนบอกกล่าวอย่างไรเราก็ฟังใจของเราก็ติดตามในแนวปฏิปทาของครูบาอาจารย์ตอนแนววัดของเราพาดำเนินอย่างไรอันนี้น่าจะเพียงพอสำหรับในระดับหนึ่งแต่ต่อไปภายภาคหน้า เ, เมื่อ บวชมาเราจะอยู่ในพระพุทธศาสนานานเท่านานอันนั้นเราเราต้อเป็นหน้าที่แล้วนี่เราจะต้องศึกษาในรายละเอียดจนสุถึงกับสวดพระปฏิโมกจนะนะเป็นหน้าที่ของเราเลยจะต้องเรียนรู้จะต้องสวดพระปฏิโมกให้ได้แต่ขณะนี้ไม่ถึงขนาดนั้นแต่หลวงพ่ออยากให้เน้นเรื่องจิตภตาวนามากกว่าถ้าว่าพวกลูกหลานทั้งหลาย ตั้งอกตั้งใจภาวนาตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมยึดกรรมฐานตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบ า, าอาจารย์ท่านแนะนํำยังไงอดนอนอดนอนพรอนอาหารฉันอาหารให้น้อยจะนักให้ภาวนาเดินจงกรมเดินมากขนาดไหนหลวงพอ่อเดินเราจะเต็มเหนื่อยอย่างพระโสดาเนะี่ย ในครั้งพระพุทธเจ้าของเราพระโสนเป็นลูกของเศรษฐีมีทรัพย์มากมีทรัพย์แปดสิบโต่นี้เขาก็เลยพ า, าพาเข้าไปคารวะลูกชายของเศรษฐีเข้าไปเศรษฐีพาเข้าลูกชายเข้าไปคารวะพระเจ้าพิมพิสารพอไปคารวะแล้วพระเจ้าพิมพิสารเห็นเออทาไม ขนจึงเกิดในฝ่าเท้าของโสนะท่านหลวงพ่อจะไ ม, ม่ผิดนะ่คือนิดเรื่องราวไปนเนี้แต่ชื่ออ้หลวงพ่ออาจจะจําผิดชื่อนะอที่ว่าหลวงพ่อจำไ ม, ม่ว่าท่านพระโสนะแต่นีพ้พระเจ้าพิมพิสารเออเป็นผู้มีบุญนะทําไมเป็นสุขุมละชาติขนเกิดในฝ่าเท้าก็พาไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เทศนาให้ฟัง พอเทศนาให้ฟังแล้วก็เกิดความเคารพนับถือขอบวชนะพระพุทธองค์ก็ให้บวชนะเป็นบวชเป็นพระในพระพุทธศาสนาลูกเศรษทีนะพอจะอได้ก็ฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าคนเดินจงกรมนะเลยเดินจงกรมพอเดินเดินเดินเดินจนฝ่าเท้าแตกไม่ใช่เดินธรรมดานะเดินจงกรมเดินจนฝ่าเท้าแตกฝ่าเท้าทะลุจากนั้นก็ พอเท้าทลุมันปวดคานใช้ศอกคานไปศอกแตกเอาอกลอยเหมือนกับงูอกแตกเอกร้องไห้พระสงฆ์ทั้งหลายเห็นท่านเป็นผู้มีความเพียรอย่างมากไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ เ, เ, เทศนาให้ฟังาการทำความเพียรทำยังไง ช้ำดูใจไม่ใช่เหตุจนถึงร่างกายขนาดให้เดินพอประมาณลักษณะนั้นให้เดินจะ ง, ง่ายเพราะพระองเทศนาว่าการให้ท่านขอให้สำเร็จเป็นพระอราหารันนี่แหละคือความพระโศนาะเพราะนั้นที่หลวงพ่อยกขึ้นมาเนึ่งเดินขนาดไหนนี่แหละเราก็ไม่ถึงกับพระโศนะหรอกแต่ว่าเดิน เ, เดินเดินจงกลมให้เดินให้มากถึงจะเดินมากเดินน้อยก็ให้มีสติ แต่อย่างน้อยต้องเดินมากนะเพราะว่าการเดินจงกรมของเราเนี่ยถ้าว่ า, เ, าเดินด้วยนั่งด้วยอ า, อาริยบทอริยบทสองเนะ่ยเดินกับนั่งแต่หลวงพ่อเนี่ยเคยเดินนะพระลูกพระลานนะหลวงพ่อเดินทั้งคืนเดินตั้งแต่หัวค่ําจนสว่างหลวงพ่อเคยเดินหลวงพ่อจึงมั่นใจโอ้เดิ น, นฝ่าเท้าแตกนแน่นอน หลวงพ่อเชื่อเลยเจ้นี่ยน่ต้องต้องเชื่อในตนเองนะลูกหลานนะ เ, เดินจงกรมเท้าแตกเนะ่ยแตกแน่นอนอที่หลวงพ่อก็เดินจงกรมมันหนักใช่ไหมเดินจงกรมทีแรกก็ใส่รองเท้าสมัยเป็นเนนหารองเท้าใหญ่อีต่างหากเดินตีนเปล่าเลยกระทางก็ไม่มีหินนะทางเป็นดินเรีย บ, เ, ยบเนี่ยนะดินเหนียวดินทรายผสมเหนียวนะ่ะ เดินเดินเดินเดินไปเดินจนถูกตรอดทั้งคืนในขณะที่เดินก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองเท้ามันเป็นยังไงแต่พอตอนเช้ามาแต่นะพอดูฝ่าเท้าโอ้โหหนังมันบางมองเห็นเลือดแต่ไม่ถึงกับเลือดออกนะแต่มองเห็นเลือดแดงในฝ่าเท้าทั้งหมดเลยโอ้โหเท้าเราบางฮนะถ้าเดินไปอีกเนี่ยตรงพ่อว่าเนีย แต่ไม่ถึงคืนน่ยเดินไปเองเท้าทะลุแน่ฝ่าเท้าเนี่ยต้องมีเลือดออกแน่แต่ในขณะเดินเดินทั้งคืนเนี่ยดูแล้วก็เห็นเห็นปิบๆเลือดนะเลือดนะหนังบางมากเลยแต่ก็ไม่จึงก็ทะลุแต่หนังบางอแต่แม่ก็แปลกอีกอย่างหนึ่งเธอเนี่ยพอปิดทวารฉันมาฉันเช้าพอฉันเช้ามาันก็เหนื่อยใช่ไหมอ้ไรเธอเนียอยก็พักผ่อนกลางวันพอพักผ่อนกลางวันตื่นมา พอตอนบ่ายๆเนี่ยนะันงเท้าเป็นปกติอีกโอ้หลวงพ่อยังคิดว่านังเท้านะมันงอกเร็วเหลือเกินนะเออหลังเท้าเนะี่ยของคนเนะี่ยงอกเร็วเหลือเกินยังไม่ถึงข้ามวันเลยนังเท้าเป็นปกติแต่เมื่อเช้าเนะี่ยโอ้โหมันปิ่มๆเลยเหมือนจะนังเท้าจะขาดอแต่พอเอพักผ่อนพอตอนบ่ายลุกมาปัดกวาดเท่าทนั้นฝ่าเท้าปกตินะ นี่แหละอันนี้ก็คือประสบประการณ์ที่หลวงพ่อได้เดินจงกรมอ่านี่แหละให้ลูกหลานพระลูกหลานทั้งหลายเข้ามาบวชในคราวนี้ครั้งนี้ก็เดินจงกรมอ่อจะโกนโย ก, กันนั่งภาวนาเอานั่งภาวนาเดินจงกรมแต่พระในครั้งพุทธพุทธพ่อพุทธเจ้ามีไหมอย่างพระจักคูบาลในพรรษาเนี่ยท่านตั้งจิตอธิษฐานนะตั้งจิตอธิษฐานข้าพเจ้าจะไม่นอน ตลอดไรมาสสามเดือนเจ้าอริยะเอาอริยะบทสองคือยือรอริยะบทสามคือยืนเดินนั่งจะไม่นอนจะไม่เอ็นกายโดยเด็ดขาดคณพผือพระจักคุบาลท่านท่านตัง้งจิตอธิฐานท่านก็ทำได้ตลอดท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เพราะท่านเล่งภาวนาของท่านแต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามการอดอาหารเนี่ย ตั้งหลวงพ่อเนี่ยอบอกให้พระเนนลูกหลานทุกองคพระเนนลูกหลานทุกองค์จะว่าข้าพระเจ้าจะอดอาหารเจ็ดวันสิบห้าวันหรือสามสี่วันสิบวันยี่สิบวันใ น, นพวกเราอย่าอย่าตั้งอยตั้งสัจจะนะในการอดอาหารหลวงพ่อ เ, ยเคยเคยรู้เคยเห็นเคยตั้งมาแล้วไม่ถูกลูกหลานการตั้งสัจจะอดอาหารเนี่ย เออแต่ว่าการอดอาหารแต่ว่าในใจของเราคิดอยู่ข่าไปเจ้าโจอดอาหารเจ็ดวันข้าไปเจ้าโจอดอาหารสิบห้าวันคราวนี้เออแต่ในใจแต่ถ้าเราไม่ได้ตั้งสัจจะคล้ายๆวัดอดไปอดไปภาวนาไปภาวนาไปภาวนาไปถ้าจิตใจของเราได้รับความสงบมีความสุขจิตใจนิ่งเป็นหนึ่งแล้วนั่นหละนั่นแหละอยู่ได้นานแต่บางครั้งมันพอ ออาหารเพียงวันสองสาวันอ่ะจิตมันดิ่นเอยจิตมันดิ่นมันไม่อยู่เหมือนกับเราอจับวัวจับควายเนี่ยมันไม่อยู่เอจับยังไงมันกระโดดโลดเต้นผลในสุดเราก็ต้องปล่อยมันปล่อยมันก่อนอล่ามเชือกมันยาวๆไว้ก่อนเอ๊ะมันทําไมวะมันสาเหตุเข้าไปทําไมมันจิตเขาที่มันเอาไม่อยู่สติของเราเอาล้างจิต บังคับจิตไม่อยู่เพราะอะไรนานะเนี่ยเราก็ต้องดูวันเอกต่อมาอีกวันสองสามวันอีกอดเอกเออบังคับมันเอกผลที่สุดมันก็อยู่ในอานัดของเราเหมือนกันเน่งเหมือนกันนะทีนี้เรารู้ได้เลยว่าการอดอาหารเนี่ยเราควรจะทํำยังไงถ้าเราไปตั้งจิตอธิษฐานนะ่ะถ้าว่าเราอดเข้าไปแล้วจิตใจมันกระโดดโลดอะไรอย่างนั้นเราก็บังคับปดอาหารอยู่นั่นแหละเอ่อ เดี๋ยวเดี๋ยวเป็นบ้าได้ง่ายเลยทุกพ่อมองเห็นนะเป็นบ้าได้ง่ายๆนะยการอดอาหารถ้าจิตไม่สงบจิตไม่อยู่แล้วนะไม่ได้ไม่ได้นะถ้าจิตมันอยู่เราไม่เป็นไรที่อดเป็นเดือนก็ได้ถ้าจิตมันเนื่งนะจิตมันอยู่รวมมันเย็นสบายมีความสุขเป็นสมาธิจะพิจารณากับเป็นพิจารณาด้วยเหตุและผลเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาชัดเจนแต่ถ้าหากว่า จะให้มันสงบมันก็สงบนิ่งจิตไม่ปุง่งไม่ฟุง้งไม่สารานนี่แหละถ้าว่าเป็นอย่างนั้นอดเท่าไหร่ก็ได้แต่ถ้าวันไหนคราวไหนอดเข้าไปแล้วเนะ่ยมันพยองพองตัวมันไม่ยอมจิตออกนอกตูกนอ ก, นอกทางปิดจิตปุงฟุง้งสาัานนั้นเรากลับมาชันอาหารก่อนคล้ายๆว่ากลับมาแล้วกับปล่อยเชือกมันยาวๆไว้ขอลามไว้ก่อนจะไปจะไปบังคับมัน จนเกินไปถ้าบังคับเข้าไปเนี่ยถ้าบังคับเราเก่งของมันใช่ถ้าเราเอาให้อยู่หมัดอะไนี่มันก็ได้ยิ่งดีต่อไปเลยดีมากถ้าเราเอาเอาให้อยู่ไดนะ้แต่ถ้าเราเอาไม่อยู่ทนะ่านะอ่ะมันเป็นบ้ามันเป็นสัญญาวิปลาสได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นสิ่งเราเนี่กับบอกฝากไว้กับพระลูกพระหลานทุกองนะแต่ทั้งนี้ทางนั้นเป็นเอาเอาหลวงพ่อเป็นเป็นตัวอย่าง แต่พวกท่านทั้งหลายอาจจะเหนือกว่าหรือว่าได้ดีกว่าก็ได้กระสุนแท้แต่ให้สังเกตการกระทำสิ่งไหนสิ่งไหนก็ตามให้สังเกตตัวเองถ้าว่าไม่สังเกตตัวเองน้ำมันเอาไม่อยู่นอกรูนอกทางนะั่นแหละทำให้ใจของพวกท่านทั้งหลายวิตปริวิตปริวิตประลาดไปได้ง่ายวันนั้นขอให้พวกเราทั้งหลายตั้งอกตั้งใจเรื่องภาวนานะ เดิงภาวนาเนะี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญถ้าเราทําถูกแล้วจิตใจมีแต่ความสงบร่มเย็นเป็นสุขน ะ, ะเมื่อเห็นเป็นสมาธิแล้วกัเดิเดนวิปัสนาเป็นวิปัสนาก็คือดูใจของพวกเรานั่นแหล ะ, ะดูจิตดูใจของพวกเราในในพรรษานะี่อยากจะให้พระลูกพระหลานทั้งหลายใ ห, ให้เน่งเร่งภาวนาเรื่องวิเัยกับอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเบื้องต้น ให้เป็นรู้รู้แนวแถวเอาไว้ให้ดูพระกล่าวที่ท่านพาปฏิบัติอย่างไรให้พวกเราดูแต่ส่วนพระส่วนเรื่องจิตภาวนา น, นั่นแหะให้พวกลูกหลานทั้งหลายเร่งภาวนานอย่าไปพูดอย่าไปคุยกันนะให้อยู่ต่างคนต่างอยู่เจก่อนต่างองค์ต่างอยู่ต่างองค์ต่างประพฤติปฏิบัติเวลามากค่อยๆมาฉันการพูดคุยจะให้ส่งเสียงดังเพราะเราเป็นพระกรรมฐาน ่พระป่าให้อยู่ในความสงบให้แยกห่างกันไว้แต่เราไม่ได้ทะเลาะกันนะเราไม่ได้มองกันในแง่ร้ายนะเรามีเมตตาต่อกันเหมือนอวัยวะเดียวกันพวกเราแต่ว่าต่างองค์ก็ต่างอยู่มีอะไรมีความจําเป็นเอ้าเข้ามาพึ่งเรียกหากันพึ่งพาอาศัยกันได้เมื่อคราวจําเป็นถ้าหาว่าไม่มีอะไรเราก็แยกย้ายกันอยู่ต่างองค์ต่างอยู่ ดูจิตดูใจของพวกเราดูจิตดูใจของตัวเองดูใจของตนเองใจของเรามันปรุงมันฟุ้งมันคึกขนองอย่างไรวันนี้มมันเห็นอารมณ์ขึ้นมาแล้วใจของเราเป็นยังไงจากนั้นเราก็ให้พิจรารณาถึงยึดความตายนะั่นแหละเป็นหลักนะถึงมันจะขนองไปยังไงยังไงเราก็เนาอเนาะมาหาความตายเอ้ยแก่ไม่ตายแล้ววะ่ะ เ, เห็นไหมเห็นไหมคนตาย แต่แกจะตายไม่เป็นอย่างไรทำไมคิดมากปรุงฟุ้งไปทําไมนี่ขณะนี้เรามาบวชเรามาภาวนา เ, เรามาบําเพ็ญเรื่องจิตภาวนาตามหลักธรรมคำสอนของหลักตามหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าตามธรรมคาสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เรามาภาวนา เ, เราไม่ได้มาคิดอย่างอื่นนะเราไม่ทําอย่างอื่นนะสามเตือนนะงดทุกอย่างซะก่อนเราจะไม่คิด เราจะไม่คิดทํามาค้าขายเราจะไม่คิดอะไรทั้งหมดเราจะคิดจะดูใจของตัวเองจะปรับปรุงกายใจของตัเองให้อยู่ในสมาธิให้อยู่ในหลักธรรมคําสอนของพุท ธ, ธะเท่านั้นในสามเดือนนีอ้อยากจะให้พาลูกพาหลานมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจอย่างนั้นนะในเมื่อเราเอาชนะเรื่อว่าชําระใจเรื่องว่าธรรม ภาวนาจิตใจให้สงบแล้วลูกหลานจะเห็นคุณเออโอ้เรามาบวชคราวนี้ไม่เสียเที่ยวเราทําเบลกให้ใจของเราตะกอดใจของเราไม่มีเบลกเตลิดเปิดเปิงเตลึงเปิงเปิดสุดท้าจะคิดยังไงหาหลักเหตุผลไมื่ไหร่ห้ามไม่ให้มันคิดมันก็คิดแต่มันคิดแต่บัดนี้เราพยายามทําเบลกให้ใจของเราคิดในสิ่งที่ควรคิด ทำในสิ่งที่ควรทำพูดในสิ่งที่ควรพูดมีสติสัมปชัญญะในการเป็นอยู่นั่นแหละท่านได้ขนาดนั้นลเลิศประเสริฐและลูกหลานนะเอาตอนนี้ไปก็สวดท้ายปฏิโมกแล้วทนนี้นะแต่ตอนเย็นก็อย่าลืมอันนั้นเนะเราจะได้ลงมาเารวมกันอีกทีนึงวันนี้เป็นวันพระศรัทธา ญ, ญาติโยมคงจะมารวมรวมกันอีกตอนเย็นนะแต่นี้เราพูดหลังเพราะปฏิโมก ตอนนี้ไปกระทรวงท้ายปฏิโมกขัแล้วท่นนี้นค่อยเลือกย้ายยยกย้ายกันนะ